วันนี้ก็เป็นวันอังคารที่14กันยายนพุทธศักราชสองพซึ่งตรงกั บ, บพรราขึ้น8ปดค่ำเดือนส0บปีฉลูก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วสำหรับเข้าพรรษาปีนี้สำหรับญาติโยมท่านใดที่ปรารภการทำความดีอย่างได้อย่างหนึ่งไว้ในระหว่างพรรษานี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจนถึงตอนนี้หากท่านใด ที่ทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้อธรมภาพก็ขออนุโมทนาบุญในการทำความดีด้วยและก็ขอให้ทำอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องต่อไปส่วนท่านใดที่ยังอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาทำให้ไม่สามารถทำได้สมบูรณ์อย่างที่ตั้งใจไว้ก็ขอให้อย่าเก็บมาเป็นกังวลแล้วท้อแท้ที่จะทำความดีที่เราได้ตั้งใจไว้ เวลาที่ผ่านไปแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคอะไรที่เป็นปัญหาคอยขัดขวางความตั้งใจของเราเราก็จะได้หาวิธีแก้ไขเพื่อที่จะได้ทำความดีที่เราตั้งใจไว้ในเวลาอีกครึ่งพรรษาที่เหลือนี้แต่ก็อยากจะย้ำอีกสักครั้งว่าอุบายการทำความดีในระหว่างเข้าพรรษา ก็เป็นไปเพื่อสร้างความเคยชินความคุ้นชินสร้างนิสัยดีๆอันใหม่ให้เกิดขึ้นแต่ถ้าท่านใดสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจไว้แล้วพ อ, อ, อพันษาก็หยุดทําเสียเพราะครบกำหนดเวลาที่ตั้งใจไว้ก็จะเป็นที่น่าเสียดายพอสมควรเพราะความดีที่เราได้ฝึกหัดบ่มเพาะมาตลอดสามเดือนก็จะไม่สามารถพัฒนาต่อเนื่องจนเป็นนิสัยจนเป็นอัตโนมัต หรือกลายเป็นสมบัติของจิตใจของเราซึ่งถ้าเราสามารถทำให้จนเป็นนิสัยได้นิสัยนี้ก็จะเป็นสมบัติเก็บไว้ในจิตข่าวของเงินทองที่เราหาได้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเหล่านี้เมื่อเราตายไปก็ไม่สามารถนำไปด้วยได้เลยแต่บุญกุศลที่เราได้ทำแล้วนิสัยที่เราสั่งสมไว้ในจิตใจแล้วเป็นต้นเหล่านี้ จะเป็นสมบัติแท้ของเราที่เราจะนำไปสู่อัตภาพใหม่พบหน้าดังที่เราจะเห็นได้ว่าแม้เกิดมาเป็นฝาแฝดกันก็จริงแต่นิสัยก็ต่างกันได้ทั้งนี้ก็เพราะนิสัยที่สั่งสมไว้ในพบก่อนมีมาไม่เหมือนกันบางคนเกิดมาขัดสนเงินทองประจัยสีนั่นก็เพราะไม่ได้ให้ทานไว้ในพบเก่าชาติก่อน ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับผลของกรรมเหล่านี้ท่านสาธุชนก็สามารถหาอ่านศึกษาเพิ่มเติมในนิทานธรรมบทได้เดี๋ยวนี้ก็มีคนที่นํามาอ่านบันทึกเสียงไว้ก็มีไม่น้อยในสื่อออนไลน์หลักมี youtube เป็นต้นก็สามารถค้นหาเพื่อฟังศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทีนี้ก็ขอย้อนกลับเข้ามาสู่พระบาลีที่ได้ยกไว้มาเป็นนิเคปบท ซึ่งพระบาลีนี้ก็เป็นพุทธตรรมรัตที่ทรงตรัสกับพระยศะ ก, กุลบุตรครันเมื่อทรงประทับอยู่ณป่าอิสิปัตนะมฤุกขทยวันหลังจากที่ได้ทรงโปรดเหล่าปัญจวคีให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมธรรมที่สุดของพรหมจรรย์ในศาสนาได้แล้วเมื่อพูดถึงยศ ก, กุลบุตรก็คงจะเป็นชื่อที่คุ้นหูกันดีสําหรับเราชาวพุทธเพราะเมื่อศึกษาพุทธประวัติ ได้ยินได้ฟังเรื่องราวความเป็นไปของพระพุทธองค์ในช่วงที่ ท, ทรงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆแล้วทรงตั้งพระไถท่ที่จะประกาศพระาศาสนาให้เป็นประโยชน์ต่อหมู่สัตว์นั้นชื่อที่เราจะคุ้นเคยกันดีต่อจากกลุ่มสาวกกลุ่มแรกคือพระปัญจวัคคีนั้นก็คือยศ ก, กุลบุตรนั่นเองตามเนื้อหาในพุทธประวัติ ท่านก็เป็นบุตรเศ็ดถีในเมืองพารณสีเป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยยามร้อนก็มีบ้านสำหรับอยู่ในหน้าร้อนยามหนาวก็มีบ้านอีกหลังที่สำหรับอยู่ในฤดูหนาวเมื่อเข้าฤดูฝนก็พักอยู่อีกหลังหนึ่งในระหว่างนั้นก็มีการประโคมดนตรีขับร้องอยู่เป็นหนึ่งนิดแต่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมากลางดึก ได้เห็นสภาพของหมู่บริวารคนรับใช้และนักดนตรีว่ามีสภาพที่ไม่น่ายินดีพอใจบางก็นอนผมเผารุงรังบ้างนอนน้ำลายไหล ย, ย, ย้อยนอนกลื่นกลนในห้องจัดงานสร้างความสลดสังเวชแก่ยาศากุลบุตรเป็นอย่างมากท่านจึงได้เดิอนออกจากที่อยู่เข้าสู่ราวป่าอิสิปฒนมรุกยายวัน เดินไปก็ออกอุทานระบายความรู้สึกในใจไปด้วยว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจนได้เดินมาถึงในที่ใกล้ที่ประทับเดินจงกรมของพระศาสดาพระศ ส, สดาจึงได้ตรัสพระบาลีที่ได้ยกไว้มาเป็นนิเขปบทว่าอิดังโคยสะอนุปัดดูตังอนุปัสสทั้งดูก่อนยสะ ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเอหิยสะนิซีดาทำ ม, มังเตเดเซซามิดูก่อนยสะเธอจงมาแล้วนั่งลงเราจะแสดงทำให้ฟังหลังจากที่ได้ฟังธรรมจากองค์พระศาสดาแล้วยสะกุลบุตรก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน แล้วจึงทูลขอการบรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยส่วนความเป็นไปหลังจากนี้ท่านทั้งหลายก็คงจะทราบดีกันอยู่แล้วแต่ทาไมอาตมาภาพจึงได้เล่าช่วงแรกค่อนข้างเยอะหน่อยทั้งทั้งที่เป็นเนื้อหาที่น่าจะทราบกันดีไม่ต่างจากเนื้อหาหลังจากที่ได้ฟังธรรมนั่นก็เพราะว่าอยากให้ท่านสาธุชนได้เห็นภาพที่ตรงกันเสียก่อน ก่อนที่จะได้หยิบยกประเด็นมานำเสนอต่อไปความรู้สึกในใจของท่านยาศ ก, กุลบุตรที่ได้เปล่งออกมาเป็นคำพูดที่ว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอนั้นบางท่านอ่านหรือฟังผ่านๆก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนฟังหรืออ่านเรื่องราวความเป็นไปของท่านยาศ ก, กุลบุตรก่อนที่จะไปเจอองค์พระาศาสดาเท่านั้น พอได้เจอพระศาสดาแล้วก็ได้ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมก็ได้ความรู้สึกเป็นเรื่องธรมธรมดาๆของคนที่ได้ไปฟังธรรมและบรรลุธรรมแต่แท้จริงแล้วถ้าเราตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีของท่านยาศากุลบุตรก็มีหลายๆประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์พอสมควรทีเดียวการที่ท่านเปล่งอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ ขัดข้องหนอก็น่าจะพิจารณาเพิ่มเติมไปว่าอะไรที่วุ่นวายวุ่นวายแบบไหนยังไงแล้วที่ว่าขัดข้องอะไรขัดข้องขัดข้องยังไงแล้วการแก้ปัญหาไม่ให้วุ่นวายไม่ให้ขัดข้องนั้นต้องทําอะไรอย่างไรบ้างทีนี้ภาพที่เราเห็นท่านยะกุลบุตรก็คือ ท่านได้เกิดความสลดสังเวชจากการได้เห็นหมู่บริวาร น, นอนเกลื่อนกลนบางคนผมเผ้ารุงรังบางคนนอนน้ำลายไหลเกิดเป็นภาพไม่น่า ย, ยินดีพอใจคำถามที่อาตมาอยากจะถามให้ทุกท่านได้คิดตามก็คือถ้าทุกท่านอยู่ในสถานะเหมือนกับท่านยาศากุลบุตรคือเป็นคนรวยมีเงินมีทองเหลือเฟืออยากได้อะไรก็ใช้เงินซื้อหาได้อย่างสะดวกสบาย จะมีบางหมายที่จะเกิดความรู้สึกถึงว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องจนถึงต้องหลีกหนีออกจากบ้านไปอาตมาเชื่อมั่นเลยว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่คิดอะไรมากเห็นแล้วอาจเจิมรู้สึกไม่ชอบใจอยู่บ้างแต่พอเช้าทุกคนก็ต่างไปทําตามภาระหน้าที่การงานของตนของตนความไม่พอใจที่เกิดขึ้นนั้นก็จางหายไป อีกทั้งเราก็ไปหาความสุขอื่นๆมาแทนที่ด้วยกรณีของท่านยาศะที่เห็นหมู่บริวารแล้วเกิดความสลดสองเวตนั้นถ้าเป็นคนส่วนใหญ่น่าจะไม่เกิดความรู้สึกรุนแรงกับจิตใจเหมือนกับที่ท่านยาศะเป็นแน่นอนแล้วเพราะอะไรทำไมท่านยาศะถึงรู้สึกว่าวุ่นวายขัดข้องถ้าจะตอบปัญหานี้ ก่อนอื่นก็คงจะหลีกไม่พ้นที่จะต้องมาคุยเรื่องความสุขความทุกข์กันก่อนเป็นที่แน่นอนว่าแม้ว่าใครก็ตามล้วนปรารถนาที่จะมีความสุขและก็ไม่อยากมีทุกข์แต่การที่จะหาความสุขและแก้ทุกข์ของแต่ละคนก็มีวิธีที่ต่างกันไปตามแต่ปัจจัยของแต่ละคนละคนบางพวกที่ชอบดนตรี ก็หาความสุขจากการที่ได้ฟังหรือได้เล่นดนตรีบางพวกชอบเล่นกีฬาเมื่อมีเวลาว่างก็หาเวลาไปเล่นกีฬาบางพวกชอบอาหารก็มีความสุขที่ได้จากการทำอาหารรับประทานหรือออกไปหาอาหารตามที่ต่างๆเป็นต้นถึงแม้ว่าความชอบจะต่างกันไปวิธีการจะต่างกันไปความประณนี่จะต่างๆกันไปนั้น แต่ภาพรวมของความสุขที่ว่านี้ก็คือความสุขที่ได้จากทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือพูดโดยรวมว่าเป็นความสุขทางกามแต่ศัพท์คําว่ากามในที่นี้นั้นหลายท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับภาษาธรรมะอาจจะเข้าใจไปในแง่ของทางเพศแต่แท้จริงในความหมายของความสุขทางกามในทางาศาสนานั้นเป็นภาพใหญ่เป็นความสุขที่หาได้จากรูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายฉะนั้นความสุขที่ดูจะมีหลากหลายแบบก็รวบเข้ามาอยู่เป็นความสุขแบบเดียวกันคือการ ม, มาสุขนั่นเองแต่ทางนี้นั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ได้ก็ต้องเป็นฝ่ายที่เราชอบยินดีพอใจจึงจะเกิดสุขตามมาได้ในทำนองกลับกัน รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นฝ่ายที่เราไม่ชอบไม่อยากได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นความสุขทีนี้ถ้าพูดแบบนี้แล้วก็ชวนให้คิดว่าคนที่มีฐานะร่ำรวยก็ต้องได้เปรียบในการหาความสุขที่มากกว่าสิเพราะสามารถหารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือที่เรียกว่าวัตถุกรรมที่ชอบที่อยากได้ได้ง่าย และบ่อยกว่าคนที่ฐานะรองลงมาหรือฐานะขัดสนซึ่งถ้ามองเพียงผิวเผินตากะนี้ก็คงจะถูกแบบ 100% เเซเพราะคนรวยก็มีเงินเมียอำนาจนำมาซึ่งโอกาสที่จะหาในสิ่งที่อยากได้ได้ง่ายกว่าแน่นอนแต่ถ้าเราพิจารณาถึงความสุขทุกข์ให้ละเอียดมากขึ้นแล้วตากะที่ว่านี้ก็จะไม่ถูกต้องเสมอไป พูดฟังให้ดูง่ายๆก็คือมีเงินก็ไม่ได้หาความสุขได้ง่ายเสมอไปแต่พอพูดแบบนี้แล้วถ้าไม่อธิบายให้ละเอียดกว่านี้คำถามหลายๆอย่างก็คงมีกับท่านผู้ฟังแน่ฉะนั้นแล้วเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขและความทุกข์เพิ่มเติมกันถ้าเราจำแนกความสุขเราก็จะแบ่งได้หลายแง่มุมด้วยกัน ยางเมื่อสักครู่ที่ได้พูดไปนั้นก็ใช้กามมาเป็นเครื่องจำแนกซึ่งเมื่อใช้กามเป็นเครื่องจำแนกความสุขแล้วก็จะแบ่งได้สองแบบคือความสุขทางกามหรือกามมสุข1และความสุขที่ได้จากการหลีกออกจากกาม1ส่วนว่าถ้าเราใช้กายกับใจเป็นตัวจำแนกประเภทความสุขแล้วก็จะแบ่งได้สองเช่นกันเป็นความสุขทางกาย1 ความสุขทางใจหนึ่งซึ่งถ้าพูดในแง่ความสุขทางกายกับทางใจแล้วอัตมาภาพก็ได้อธิบายไว้เมื่อเทศคราวที่แล้วถ้าท่านใดต้องการทราบรายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติมก็สามารถฟังย้อนหลังในเพจหรือช่อง YouTube ของทางวัดได้ซึ่งก็สรุปได้ว่าสุขที่เป็นใหญ่เป็นประธานของคนเรานั้นความสุขทางใจนั้นเป็นสัดส่วนสาคัญ ถึงตรงนี้ก็อธิบายมาพอสมควรแต่ยกตัวอย่างน่าจะเห็นภาพกว่าพูดอธิบายหลักการแบบที่ผ่านมาลองสมมติว่าวันนี้เรานัดเพื่อนไปทานข้าวเย็นด้วยกันเพื่อนก็แนะนำร้านที่เขาเคยไปมาแล้วว่าร้านนี้อาหารอร่อยมากอีกทั้งก็เป็นเมนูที่เราก็ชอบด้วยไปถึงที่ร้านได้เจอทั้งบรรยากาศร้านดีด เพื่อนก็ไปกันหลายคนคุยกันสนุกสนานเฮฮาอาหารก็รสชาติประทับใจกรณีแบบนี้ไม่ต้องอธิบายกันเยอะก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันได้ว่าเป็นกรณีที่ได้รับความสุขแน่นอนสุขทั้งทางกายคือได้ทั้งดับความหิวด้วยเพราะรับประทานอาหารที่ชอบซึ่งสุขทางกายอันนี้ก็แปลเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่ชอบใจที่ใจอีกทีหนึ่ง เพราะมีความพอใจในรสชาติของอาหารการที่ใจได้รับอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นความสุขใจอีกทั้งได้รับอารมณ์ยินดีพอใจจากการที่ได้พบปะพูดคุยกับหมู่เพื่อนอีกทางหนึ่งก็จึงได้รับอารมณ์พึงพอใจในส่วนนี้เสริมเข้าไปเพิ่มอีกฉะนั้นค่าผลรวมความสุขก็เด่นชัดแบบไม่ต้องสงสัย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาตมาก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาเห็นให้ละเอียดขึ้นสักหน่อยเพราะส่วนมากเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขแต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วจุดรวมลงของความสุขนั้นมารวมลงตรงที่ใจนั่นเองซึ่งในกรณีรับประทานอาหารนี้เราเกิดความไม่พอใจในบริการของทางร้านหรือคุยกับเพื่อนแล้วเกิดประเด็นที่ขัดใจกันขึ้นมา เหตุการณ์เหล่านี้ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นอารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจกับใจแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลคือความทุกข์ที่ใจถึงแม้ว่าอาหารจะรสชาติดีแต่เมื่อรวมกับผลของบริการที่ไม่ประทับใจอีกทั้งความขุ่นเคืองที่ขัดใจกับเพื่อนก็จะทำให้ค่าผลรวมความสุขจากกิจกรรมการไปรับประทานอาหารครั้งนี้เปลี่ยนไปอาจจะกลายเป็นติดลบก็เป็นไปได้ ฉะนั้นจากตัวอย่างที่พยายามยกเทียบเคียงเปรียบเทียบนั้นก็จะชี้ให้เห็นถึงจุดรวมลงหรือจุดที่เราจะตัดสินว่าเรามีความสุขหรือความทุกข์นั้นก็คือที่ใจนั่นเองหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าทำไมอาตมาต้องวกไปวนมากับประเด็นนี้ด้วยนั่นก็เพราะอยากจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราลองคิดพิจารณาให้ดีแล้วสิ่งที่เราคิด พูดทำไม่ว่าสิ่งไหนเรื่องไหนไหนก็ตามล้วนพยายามให้เกิดผลคืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจต่อใจของเรานั่นเองหรือก็คือสแสวงหาวัตถุกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่นํามาซึ่งอิทธารมณ์หรืออารมณ์ที่ชอบใจเมื่อได้รับอิทธารมณ์แล้วก็ได้รับความสุขใจซึ่งการสแสวงหาความสุขแบบนี้ พระพุองค์ก็ตรัสเรียกว่ากามสุขแต่ก็ทรงได้แสดงเพิ่มเติมไว้ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงประกอบด้วยโทษเป็นความสุขประเภทสุขน้อยแต่ทุกข์มากและยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดความมัวเมาความสุขชนิดนี้หรือที่เรียกว่าการมัศุก ข, ขลิกาณุโย คือการประกอบตนให้มัวเมาความสุขในกรรมทั้งหลายก็จะนำพาตนให้เดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่สามารถนำตนให้ออกจากทุกอย่างหมดจนได้เป็นเส้นทางที่พระพุทธองค์ตรัสว่าฮีโนเป็นของสามกัมโมเป็นของชาวบ้านโปรตุชนิโกเป็นของปุถุชนอนัตสันฮิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ ฟังแบบนี้แล้วหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าดูน่ากลัวไปสักหน่อยอนันตมา ก, ก็จะอธิบายให้ดูร่วมสมัยขึ้นโดยความสุขในลักษณะที่ต้องใช้กามแบบนี้ก็จะขอใช้เป็นคำว่าความสุขที่วุ่นวายก็น่าจะทำให้ร่วมสมัยขึ้นและไม่ดูน่ากลัวจนเกินไปแต่ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเล่นคำ แต่เป็นเพียงการใช้คำให้ตรงกับสภาวะของความสุขชนิดนี้มากที่สุดนั่นเองแล้วที่ว่าวุ่นวายมันวุ่นวายยังไงดีหรือไม่ดียังไงหลายท่านก็คงจะเริ่มสงสัยได้ว่ามาแล้วว่าใจเป็นที่สรุปรวมลงของความสุขความทุกข์ของคนเราเราทำอะไรอะไรต่างๆมากมายก็เพื่อที่จะทำให้ใจได้รับการมัสุข และความสุขประเภทนี้ก็จะมีพิษตกค้างต่อจิตใจด้วยเป็นพิษร้อนต่อใจทําให้ใจร้อนไปด้วยความไม่อิ่มไม่พอเพราะใจของคนปกติธรรมดาทั่วไปนั้นมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีความชินชาต่ออารมณ์พอใจที่ได้รับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราไปเจอร้านอาหารหรืออาหารที่ประทับใจ อีกทั้งเราก็สามารถหาหรือไปทานอาหารนั้นได้บ่อยๆเป็นประจำๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเริ่มรู้สึกเฉยๆต่อรสชาติอาหารจานนั้นมากขึ้นเหมือนคนชอบทานแกงแต่ให้กินแกงทุกมื้อเป็นเวลาหลายๆวันติดต่อกันถึงแมว้ว่ารสชาติแกงจะไม่ได้เปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกที่ได้รับจากแกงนั้นก็เปลี่ยนไป จากที่ชอบมากๆก็จะค่อยๆลดลงจนเฉยๆยิ่งถ้าโดนบังคับให้กินต่อไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ติดลบไปได้ฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนไปทานอาหารอย่างอื่นๆแทนเพื่อหลีกเลี่ยงคุณสมบัติลบของใจคือความเคยชินหาสิ่งใหม่ๆมาเปลี่ยนพัสนะไม่ให้ซ้ำเก่า จะได้คงการได้รับอารมณ์ที่ยินดีพอใจต่อไปได้ยกตัวอย่างเป็นอาหารหรือวัตถุสิ่งของแบบนี้แต่ก็เทียบเคียงใช้ได้กับทุกๆอย่างรอบตัวเช่นผู้ชายไปชอบผู้หญิงรู้สึกว่าเขาสวยหรือน่ารักตามแบบที่ตนชอบใจระหว่างที่ได้เข้าไปทำความรู้จักช่วงแรกๆ ก, ก็เกิดความตื่นเต้นยินดี อารมณ์ที่ได้รับในช่วงแรกๆนี้ก็จะดูมากดูเข้มข้นเป็นพิเศษแต่หลังจากที่ตกลงคบกันสักพักคุณสมบัติความเคยชินก็จะเริ่มทำงานแม้จะอยู่ด้วยกันมากขึ้นกว่าช่วงแรกแต่ความรู้สึกที่ได้ก็ไม่ดูหวือหวาเหมือนช่วงแรกในบางคนที่ต้องการความรู้สึกที่มากขึ้นแต่เนื่องด้วยความเคยชินก็ ทำงานตามธรรมชาติของมันประจวบกับการที่ได้มีโอกาสเจอกับคนใหม่ที่สามารถจะหยิบยื่นความรู้สึกที่พอใจให้ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการนอกใจคู่ของตนต่อไปเรื่องของเงินทองยศศักดิ์ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ทุกคนเห็นภาพชัดเริ่มแรกก็อยากที่จะมีเงินทองมากๆเพราะเมื่อมีเงินมาก ก็ไม่ขัดสนเรื่องวัตถุกรมถึงแม้ว่าจะไม่ขัดสนแต่ด้วยพิษสงของความเคยชินมันก็ทำให้ใจไม่ได้รับความสุขที่พอใจเท่าเก่าก็ต้องพยายามหาวัตถุกรารมให้ละเอียดประนีดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งวัตถุที่ประนีตมากขึ้นก็จำเป็นที่ต้องใช้เงินที่มากขึ้นตามความเป็นไปของโลกก็จึงเป็นเหตุให้ต้องดิ้นรนสแสวงหาเงินให้มีมากขึ้นตามไปอีก พอไปถึงจุดหนึ่งความสุขที่ได้รับจากวัตถุสิ่งของก็โดนความเคยชินเล่นงานวิธีของคนทั่วไปก็เริ่มที่จะหันไปหาความสุขจากชื่อเสียงเกียรติยศต่อไปแต่แน่นอนความเคยชินก็ทําหน้าที่ของมันไปอยู่ตลอดเช่นกันก็เป็นเหตุให้ต้องหาเพิ่มเติมขึ้นไปเรื่อยๆอีกทั้งการที่จะย้อนกลับไปหาความสุขในระดับเก่าที่น้อยลง น้อยคนที่จะสามารถทำใจยอมรับได้นี้ก็แสดงให้เห็นไม่เพียงแต่เฉพาะความวุ่นวายเท่านั้นแต่แสดงให้เห็นถึงว่าเงื่อนไขของความสุขก็จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นไปตามลำดับอีกด้วยยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกสักหน่อยเหมือนคนที่ใช้ข้าวของที่มียี่ห้อและอยู่ในสังคมที่เขาให้การยอมรับกับข้าวของที่มียี่ห้อ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเราไม่สามารถใช้ของที่มียี่ห้อได้แล้วเราก็ทําใจยอมรับที่จะใช้ของที่ไม่มียี่ห้อไม่ได้แล้วความสุขที่เราจะหาได้ก็ยากยิ่งขึ้นเพราะเราติดเงื่อนไขของการมียี่ห้อที่ยกตัวอย่างมานี้ก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆน้อยๆของชีวิตเท่านั้นแต่ก็สามารถนำไปเป็นหลักคิดเพื่อเอาไปเทียบเคียงกับกรณีอื่นๆได้ต่อไป ทีนี้ก็ขอวกกลับเข้ามาที่เรื่องราวของท่านยาศกุลบุตรถึงแม้เรื่องราวของท่านที่มีในพระไตรปิฎกนั้นจะอธิบายไว้เพียงคร่าวๆแต่เราก็สามารถเทียบเคียงกับชีวิตจริงประสบการณ์จริงของคนในยุคสมัยนี้ได้เหมือนกันซึ่งก็จะได้ภาพที่ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เป็นภาพของคนที่สแสวงหาความสุข แต่วิธีการหาความสุขก็มีเพียงวิธีเดียวเหมือนกับเราท่านๆ น, นั่นก็คือการสแสวงหาความสุขทางกรรมเป็นความสุขที่ทำให้ชีวิตวุ่นวายมีเงื่อนไขความสุขที่ซับซ้อนและนำมาซึ่งความขัดสนในการสแสวงหาความสุขชนิดนี้อย่างยั่งยืนแต่ด้วยว่าท่านก็เป็นผู้ที่ได้สั่งสมอุปนิสัยในการรู้เห็นตามความเป็นจริงมาหลายภพหลายชาติ จนบารมีเต็มรอบแล้วก็จึงเป็นเหตุปัใจจัยให้ได้สังเกตเห็นถึงว่าความสุขทางกามนี้เป็นความสุขที่ทำให้ใจอย่างวุ่นวายอีกทั้งเราก็ยังขัดข้องในวิธีการที่จะแก้ความวุ่นวายของใจนี้ได้และในระหว่างที่พยายามจะแก้ไขปัญหากับจิตใจดวงนี้ก็ได้ยินเสียงตรัสจากพระศาสดาว่าที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้องก็ยิ่งเป็นเหมือนน้ำมาชโลมใจที่กำลังเร่าร้อนเพราะไม่มีทางออกและเมื่อได้นั่งลงฟังธรรมจากพระศาษษษสดาแล้วพระองค์ก็ประทานแนวทางที่ตนยังไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนั่นก็คือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งกามเป็นความสุขชนิดที่ลีกออกจากกามและความสุขชนิดนี้ เป็นความสุขที่มีผลทําให้ใจสงบประงับไม่เร่าร้อนเพราะตัณหาคือความทยานอยากที่ไม่อิ่มไม่พอสามารถนําพาไปถึงจุดที่ใจสงบดับเย็นไม่เร่าร้อนอีกต่อไปส่วนแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงประทานไว้เราเราท่านๆก็ได้รู้กันดีอยู่แล้วนั่นก็คือทางที่เรียกว่าอริยมรตมีองค์8 มีสัมมาทิฏฐิเป็นข้อต้นมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดความสุขแบบเก่านั้นเราต้องเอาใจไปฝากไว้กับคนหรือสิ่งของต่างๆเพื่อนำมาซึ่งอารมณ์ที่ชอบใจจึงจะมีความสุขเป็นความสุขที่มีเงื่อนไขซับซ้อนควบคุมให้ได้ดังใจได้ยากแต่ความสุขที่พระศาสดาทรงแนะนาคือความสุขที่ เราไม่เอาใจเราไปฝากไว้กับคนหรือสิ่งของต่างๆเพราะเห็นว่าคนหรือสิ่งของเหล่านั้นควบคุมให้เป็นไปดั่งใจได้ยากเพราะมีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลามีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่คงทนถาวรตลอดกานเป็นธรรมชาติพระองค์จึงให้เราฝากใจไว้กับเครื่องอยู่ที่ดีย่างได้อย่างหนึ่ง ซึ่งจะทําให้ใจของเรานั้นหลีกไกลจากเหตุของความเร่าร้อนทางใจคือโลภะโทสะโมหะได้ส่วนเครื่องอยู่ที่ทรงแสดงไว้ก็มีหลายอย่างแต่ในที่นี้ที่เรานิยมกันก็เห็นจะมีการกําหนดใจไว้ที่ลมหายใจหรือที่เรียกว่าอานาปานสติหรืออีกอย่างที่นิยมกันคือการกําหนดใจนึกคําบริกรรมพุทโธ เมื่อเราได้ย้อนใจกลับมามีสติอยู่ที่ลมหายใจหรือคาบริกรรมพุทโธแล้วใจก็จะได้ถอนตัวออกจากสิ่งวุ่นวายควบคุมไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาอยู่ในภายในเมื่อหัดทำใหม่ๆก็อาจจะยากสักหน่อยแต่ถ้าทำจนเริ่มที่จะมีความชำนาญใจก็ตั้งมั่นอยู่ในภายในและไม่ส่งออกไปภายนอกได้ดีขึ้น ผลคืออารมณ์ความสงบใจก็จะปรากฏให้เราได้เชยชมแม้อาจจะสงบได้ไม่นานแต่ผลนี้ก็จะทําให้เราได้เห็นถึงความดีงามของความสุขชนิดที่ออกจากกามสงบระงับจากกามใจไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องในหนทางเครื่องดําเนินที่จะทําให้ใจไม่วุ่นวายต่อไปเมื่อเป็นดังนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเรามีวิธีหาความสุขที่กว้างขวางขึ้น เปรียบเหมือนเรามีประตูความสุขสองบานบานเก่าคือประตูนำไปสู่ความสุขทางกรมและบานใหม่ที่ได้เพิ่มมาคือประตูนำไปสู่ความสุขที่ลีกออกจากกรมสงบระงับจากกรมอันหนึ่งถึงแม้ว่าจะได้วิธีหาความสุขมาเพิ่มแล้วก็ตามแต่ด้วยอำนาจของกิเลสที่เป็นเจ้านายคอยกุมหัวใจของมูสัตว ก็ใช้ความสุขทางการสร้างความเพลินเมื่อเราถูกอำนาจความเพลินเข้าครอบงำแล้วก็จะถูกยกระดับให้มัวเมาความสุขในทางการต่อไปเมื่อมัวเมาการมาสุขแล้วโอกาสที่จะหลีกออกจากการมาแสวงหาความสุขที่หลีกออกจากการนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนเรากำลังติดดูซีรีส์ ซึ่งสมัยนี้ก็ไม่ต้องรอดูอาทิตย์ละหนึ่งตอนเหมือนสมัยก่อนเพราะสมัยนี้ก็สามารถดูออนไลน์ได้ตลอดเวลาภาพคนที่ติดดูซีรีส์ทุกท่านก็น่าจะพอเข้าใจกันดีว่าก็จะอยู่แต่หน้าจอไม่ค่อยอยากไปไหนแม้บางทีอยากจะเข้าห้องน้าไปถ่ายหนักถ่ายเบาก็ยังต้องอดไว้ในบางครั้งบางทีดูกันจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน นั่นก็เพราะความเพลินความสุขในการดูแต่แค่เพลินในระดับธรรมดาก็แค่สร้างความสุขที่ได้จากการดูเท่านั้นสาหรับคนที่ติดถึงขนาดเลิกดูไม่ได้อันนี้เข้าขั้นมัวเมาความสุขในการดูเมื่อเป็นแบบนี้แล้วถึงแม้จะรู้ว่าการเข้าสมาธิเพื่อทำให้ใจสงบนั้นผลมันดีต่อใจอยังไง แต่เพราะถูกครอบงำคือมัวเมาในความสุขจากการดูซีรีส์ไปแล้วก็ไม่สามารถที่ละสุขทางกามมาหาความสุขที่หลีกออกจากกามได้ในกรณีของบางคนที่ยังพอมีแก่ใจในการทำสมาธิเพราะได้เคยรับผลของความสงบที่ใจแล้วก็อาจจะหันเข้ามาหาความสงบได้เมื่อตอนที่ดูจนจบเรื่องแล้ว พอเป็นแบบนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกละอายอยู่บ้างที่พลาดท่าเสียทีให้กับกิเลสที่ดึงใจไปแล้วก็หันกลับมามุ่งฝึกสติทำสมาธิต่อไปมุ่งกลับไปสู่ทางที่พระศ า, าสดาประทานไว้คืออริยมรรคมีองค์แปเพื่อที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์จบกิจในศาสนานี้พอยกตัวอย่างแบบนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่ามันร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรือ การที่เราดูหนังตัวละครก็ขอตอบว่าตัวอย่างนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงการทำงานหรือเล่ห์เหลี่ยมของกิเลส ท, ที่มันมีต่อใจของหมูสัตว์แน่นอนว่าเราไม่สามารถปฏิเสธกรารได้เพราะยังไงเสียถ้าเรายังอยู่บนโลกใบนี้เราก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องใช้กรารคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสบุคคลที่รู้จักกาม แต่ไม่เห็นโทษของกามก็ไม่สามารถที่จะนําตนนี้พ้นจากทุกข์อันเนื่องด้วยกามได้ส่วนอริยชนทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นรู้จักกามเห็นโทษของกามจึงใช้กามอย่างพอดีไม่ให้เกิดโทษอีกทั้งยังรู้จักวิธีที่จะออกจากกามด้วยจึงเป็นบุคคลที่ใช้กามแต่ไม่ติดในกามเปรียบเทียบเหมือนกับเกิดมาแล้ว เราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องกินบางคนกินแล้วก็ติดในรสชาติก็กินมากเกินพอดีผลที่ตามมาก็มีไขมันความดันเบาหวานโรคหัวใจเหล่านี้เป็นของแถมนี้ฉันใดบุคคลที่เสพกามแล้วมัวเมาในกามนั้นก็มีผลคือนอกจากความสุขที่ได้รับแล้วก็จะมีความที่ใจจะหิวต่ออารมณ์ไม่อิ่มไม่พอ เป็นผลตามมายิ่งหิวในอารมณ์ก็ยิ่งสแสวงหาหาไม่ได้ก็ทุกข์ใจหาได้แล้วก็ยิ่งหิวต่อไปอย่างไม่จบไม่สิน้นฉะนั้นในกรณีที่รู้จักบริหารการกินที่ดีขึ้นคือนอกจากที่จะกินในแบบที่ชอบแล้วก็หาเวลาที่จะไปออกกำลังกายเพิ่มเพื่อที่จะเอาพลังงานส่วนเกินออกทำแบบนี้ได้ ไขมันความดันเบาหวานหัวใจก็ลดหายไปกลายเป็นคนที่มีสุขภาพปกติการกินนี้ก็เปรียบเป็นการหาความสุขจากกามส่วนการออกกำลังกายนั้นก็เปรียบได้กับการหลีกออกจากกามการหันมาทำความสงบใจให้เกิดขึ้นกับใจพอทำแบบนี้ได้แล้วการเห็นโทษของการกินในแบบเก่าๆ ก, ก็เกิดขึ้นอันนี้เปรียบได้กับ การที่เราเห็นโทษของใจที่ไม่สงบหิวในอารมณ์เมื่อเห็นได้แบบนี้แล้วก็มีแก่ใจที่จะทำความสงบใจให้เกิดมากขึ้นเพื่อคอยชำระผลเสียจากการเสพกามส่วนการพิจารณาให้เห็นโทษนั้นการเห็นสภาพต่างๆตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องมือสำคัญสภาพความเป็นจริงคือไม่มีสิ่งใดที่ทเที่ยงแท้ยั่งยืนถาวร ทุกสิ่งล้วนมีความเสื่อมสลายไม่เพียงแต่วัตถุเท่านั้นที่ไม่เที่ยงแม้ในส่วนของนามธรรมมีอารมณ์ในใจเป็นต้นก็ตกอยู่ในสภาพความเป็นจริงนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นทุกสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือเป็นทุกอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวร เมื่อพิจารณาแบบนี้บ่อยๆใจเราก็จะเห็นถึงความไม่มีสาระแก่นสารเมื่อรู้สึกถึงว่าไม่มีสาระแก่นสารแล้วใจก็จะไม่หลงไปผูกยึดติดในแบบเดิมๆรู้จักที่จะใช้และรู้จักที่จะปล่อยในเวลาที่ควรปล่อยใจก็เป็นอิสระไม่ผูกยึดกับสิ่งใดๆกลายเป็นใจที่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้อง ที่ได้บรรยายธรรมาก็เป็นเวลาพอสมควรวันนี้ก็ได้นําเสนอถึงโทษของกามโดยปรารบคําอุทานของท่านพระยะัศะที่ว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอจากนั้นก็ได้นําเสนอความสุขที่ไม่วุ่นวายหรือความสุขที่เป็นการหลีกออกจากกามโดยการมีสติฝูกใจไว้กับลมหายใจหรือคําบริกรรมพุทโธ เพื่อให้เกิดความสงบแก่ใจเป็นเบื้องต้นแล้วจึงพิจารณาให้เห็นโทษของกามแล้วปล่อยวางซึ่งก็อยากจะย้ำว่าธรรมะทั้งมวลแม้จำได้ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าไหร่ธรรมะนั้นเป็นเรื่องของการฝึกการทำให้เกิดมีขึ้นจนเป็นคุณสมบัติของใจฉะนั้นอย่าให้การจดจำข้อธรรมะได้ มาเป็นตัวหลอกให้เราเนิ่นช้าในวิถีทางในการประพฤติป ร, รรมา์ในศาสนาสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมันฝึกสติเข้าสมาธิทำความสงบแล้วเฝ้าศึกษาใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงสามารถถึงคุณธรรมในศาสนาตามที่พระศาสดาทรงแสดงไว้เอวัง